ข้อความในมิลินทปัญหาต่อจากครั้งที่แล้วหน้าส8 0อแปดสิบพุทธะอปปาพาทะปัญหาอาพาธเนี่ยนะก็คือความไม่สบายใช่ไหมอปอปะอปปาก็แปลว่าปราศจากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปราศจากความอาพาธพระเจ้ามิลินกราบเรียนถามพระนาคเษนว่า พระคุณเจ้านาเกษตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่าอาหัสเมิพิขเวบรัมโนยาจโยโคเปพิสโกสลักตโตแปลว่าดูกรอนพิสูจทั้งหลายเราเป็นพราหมณ์เป็นผู้ควรแก่การขอเป็นผู้มีฝ่ามือสะอาดตลอดการทุกเมื่อเป็นผู้ทรงอัตภาพสุดท้ายเป็นผู้ยอดเยี่ยมเป็นหมอยาและเป็นหมอผ่าตัดนะอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่แห่งหนึ่งใน คุตธธกานิกายอิติวุตกะเสร็จแล้วอีกที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้ายังตรัสไว้อีกว่าเอตัคขังพิกเวมมะมะสาวกานังพิคูนั ง, นงอปปาพาทานังยะติดังภาลกุโลดูการพิสูนทั้งหลายพระพากุระนี้จัดว่าเป็นยอดแห่งบรรดาพิสูุทั้งหลายผู้มีอาพาธน้อยซึ่งเป็นพระสาวกของเรานีย้อนกลับมาที่บอกว่า ข้อความที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเนี่ยเป็นพราหมณ์พระพุทธเจ้าเป็นพราหมณหมายคือว่าพระองค์เป็นผู้ลอยบาปแล้วเนี่ยนะก็คือบาปทั้งหลายพระองค์ลอยเสร็จสิ้นแล้วก็คือลทัทธิพรามเนี่ยเป็นลทัทธิอาบน้ําล้างบาปเมื่อกรกดาที่แล้วเนี่ยไปอาบน้ําล้างบาปล้านกับคนนะแล้วก็ตายไปสาิกว่าคนเหยียบกันตายไปสวรรค์เขาเชื่อว่าอย่างนั้นอันไปตายบริเวณนั้นเขาเชื่อว่าไปดี เหมือนกับแบบผู้ที่ไปสังเวชนียสถานโยมก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาขออธิฐานไปตายที่ต้นโพเขาบอกกันแล้วก็ไปตายสมความปรารถนาจริงๆ ค, คือเขาเชื่อว่าถ้าไปตายที่นั่นแล้วไปสวรรค์นะทั้ทงทั้งทุกทุกลัทธิ น, นะของพู้เราก็เชื่อว่าผู้ที่ไปไหว้สังเวชนียสถานก็จะไปสุคติโลกสวรรค์นั้นกลุ่มลัทธิอื่นถ้าไปอาบนา้ําล้างบาปแล้วก็ไปดีหรือหลายๆแห่งก็ลักษณะเดียวกันแต่ก็อยู่บนพื้นฐานของทิฏฐิ ว่าทั้งเป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิหรือไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่แต่ว่าคําว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เป็นพรามพรามผู้ลอยบาปได้แล้วเนี่ยนะบาปแปล ว, ว่าสิ่งที่น่าเกลียดทั้งหลายความน่าเกลียดทางกายวาจาและใจความน่าเกลียดที่เกิดจากราคะโทสะโมห oh ะเป็นต้นความน่าเกลียดเหล่านั้นทั้งหมดพระพุทธเจ้าละหมดแล้วและขณะเดียวกันพระองค์เป็นผู้ควรแก่การขอ คือคำว่าควรแก่การขอพระองค์ไม่มีอะไรที่พระองค์จะหวงแหนอีกต่อไปไม่มีวัตถุเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งความหวงแหนสําหรับพระองค์ถามว่าโดยที่สุดแม่ไรโดยที่สุดแม้แต่อวัยวะแม้แต่ชีวิตไม่เป็นที่หวงแหนของพระพูแ้แเจ้าอีกแล้วนะเลิกตรรีเลิกหวงแหนเลิกทุกอย่างหมดแต่ขณะเดียวกันต้องต้องพยายามไม่ลืมว่าคําว่าไม่หวงแหนกับไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วคนละประเด็นกัน นนะก็เลยทําชั่วได้หมดเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าเขาปล่อยแล้วเขาวางแล้วเพรา ะ, ะน้นดื่มเหล้าก็ไม่เป็นไรไม่ยึดถือพวกนั้นก็ก็มีลักษณะประเภทนี้ก็มีไม่น้อยอันนี้นก็คือล้อเลียนพุทธพจน์เนี่ยนะซึ่งไม่ถูกต้องแต่คําว่าไม่หวงแหนสําหรับพระพุทธเจ้าหมายก็ว่าไม่มีวัตถุเหาใดเป็นที่ตั้งแห่งมัจฉริยะของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีวัตถุใดเป็นที่ตั้งริศยาเป็นที่ตั้งแห่ง บ, บาปอกุศลสําหรับพระองค์ พระองค์เป็นผู้มีฝ่ามือสะอาดตลอดการทุกเมือ่อคําว่าฝ่ามือสะอาดแปลว่าผู้พร้อมที่จะให้หมายคือว่าถ้าผู้ใดพร้อมจะบรรลุมรรคผลนิพพานพระองค์ก็พร้อมที่จะจะให้อย่างเท่นะเขาจะบรรลุได้ตอนกลางคืนพระองค์ก็จะไปในตอนกลางคืนถ้าเขาบรรลุได้ในตอนกลางวันพระองค์ก็พร้อมที่จะให้บรรลุให้ตรัสรู้ในตอนกลางวันผนพระองค์นี้เป็นผู้มีฝ่ามือสะอาดพร้อมที่จะให้ในการทุกเมือ่อ ขณะเดียวกันพระองค์เป็นผู้มีอัตภาพสุดท้ายเนี่ยนะสรีระนี้เป็นที่สดพันไม่มีสรีระใดๆอีกต่อไปและเป็นผู้ยอดเยี่ยมด้วยพระคุณทั้งหลายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนนะถ้ากล่าวถึงคุณธรรมไม่มีคุณธรรมของผู้ใดจะยอดเยี่ยมไปกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นหมอยาก็คือเป็นผู้ที่ให้ยาแจกยาจ่ายยาแต่ยาของพระพุทธเจ้าเป็นยา อันประกอบไปด้วยองค์8แล้วก็เป็นหมอผ่าตัดตัดฉันทราค่าทั้งหลายในอุปาทานขัน5หรืออีกในหนึ่งเป็นหมอผ่าตัดขจัดความโศกเนี่ยนะสำหรับบุคคลเหล่าใดที่ถูกลูกสอนคือความโศกยามที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมก็หายโศกดับโศกได้แต่ว่าตรงประเด็นที่พูดถึงก็คือพระองค์เนี่ยเป็นอะไรเป็นเป็นผู้ยอดเยี่ยมเป็นหมอยาเป็นหมอผ่าตัดใช่ เป็นคำที่ยกย่องมากที่สําคัญบอกก็คือคําว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมเนี่ยคำเนี้ยบอกว่ายอดเยี่ยมหมายคว่าเยี่ยมแปล ว, ว่าเลิศทุกเรื่องวางนั้นดีทุกอย่างทีนี้อีกที่หนึ่งไปแต่งตั้งพระอะไรพระพากระเนี่ยนะพระพากระเนี่ยพากละมาจากแปลว่าพูดพระสองตระกูลนะเป็นชาวเมืองอีกตระกูลหนึ่งแล้วก็ถูกลอยแพรไปอีกตระกูลหนึ่งเออเข้าไป ปลาเนี่ยเกลืนไปอีกตระกูลหนึ่งก็คือตระกูลมหาเศรษฐีเลี้ยงอยู่สองตระกูลก็เลยเรียกว่าพระภากุละท่านออกบวชตอนอายุ80แล้วบวชอยู่อีก80ดพรรษาเป็นบวชเจวันเป็นพระอรหันต์เลยมีบุญมากเลยนะบวชเจวันเป็นพระอรหันต์แล้วท่านไม่เคยปว่วยแม้แต่นิดเดียวแม้แต่สมอชิ้นเดียวก็ไม่เคยฉันนะแก้ปวดแก้เมื่อยอะไรไม่มีท่านไม่เข้าใจว่าไอ้ปวดเมื่อยเป็นยังไงฟังกันเถอะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอาภาษเลยแม้แต่นิดเดียว ทีนี้ประเด็นของปัญหามีอยู่ว่าพระองค์แต่งตั้งว่าพระพากรเนี่ยเป็นผู้เลิศในทางอาพาธน้อยหรือแปลว่าพระที่ไม่ป่วยไม่ไข่อ่างนั้นเยี่ยมนาภาษาทีบุตรยังเป็นป่วยโรคลมบ่อยเลยใช่พระโมกขลาน ะ, ะหรือพระหลายๆรูปเนี่ยไม่สบายได้ข่าวบ่อยๆพระมหากัสปะอาพาธอย่างี้นะพระองค์ต้องไปแสดงโพชฌงให้ฟังแต่ว่ า, วาพระพากลนี่ไม่เคยป่วย สำหรับพระพุทธเจ้านั้นเกิดอาพาธขึ้นในสรีระหลายครั้งโดยเฉพาะที่เวลุวรณคามก่อนที่พระองค์จะดับขันปรินิพานเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยเวทนาปางตายว่างั้นเถอะปางตายเนี่ยพระนลเนี่ยมองเลยนะว่าโองานนี้พระองค์จะรอดหรือเปล่าน้อหรือเปล่านอว่างั้นแต่น่าจะรอดเพราะพระองค์ยังไม่ได้สั่งลาว่างั้นนะ ท, ที่เชื่อว่าน่ารอดเพราะพระองค์ไม่สั่งลาพระองค์ก็เลยบอกว่าจะมาหวังอะไรจากพระองค์อีกนะ ไม่มีอะไรในกรรมมืออาจารย์เป็นต้นนั่นเองแล้วก็ต่อไปว่าแม้กระทั่งในมหาปรินิพานสูตรมหาปรินิพานสูตรเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยไม่สบายบ่อยมากเดินไปแป๊บหนึ่งก็พักแล้วเดินไปพักหนึ่งก็พักแล้วแต่สำหรับพร ะ, พ, ระพากูลเนี่ยไม่มีปัญหาอย่างนี้เลยเวลาก่อนที่ท่านจะดับขันปรินิพานนะท่านถือเอาก็ไรกันลว่าลูกดาเนี่ยคือเหมือนกับลูกกุญแจไปเที่ยวเคาะตามประตูพระกุฏิ บอกผมจะปรินิพพานแล้วนะครับผมจะปรินิพพานเลยนะครับพระทั้งหลายก็มารวมกันท่านก็เหาะขึ้นบนท้องฟ้าเสร็จแล้วก็ไฟไหม้ก็จบเลยนะท่านท่านท่านอย่างนั้นไม่เคยป่วยไม่เคยไข้ถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ป่วยบ่อยเนี่ยนะไม่สบายบ่อยเพระเทศเทศไปพักหนึ่งบอกว่าอานนท์เทศก่อนเราเมื่อยเราจะพักเนี่ยนะก็ก็มีมีไม่ใช่น้อยหรือเทศเทศไปก็กแกแอมก็ไอเป็นต้นเนี่ยยังมีเลยแต่สําหรับพระภากุณไม่มี ทีนี้ปัญหาก็บอกว่าพระคุณเจ้าน่าเกสินถ้าหากว่าพระตถาคตเป็นผู้ยอดเยี่ยมอนุตโรเยี่ยมสุดยอดนะนะเลิกกับคนอื่นหมดเลยจริงใจถ้าอย่างนั้นนะคําที่บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพระพากระนี้จัดว่าเป็นยอดแห่งบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้มีอาพาธน้อยซึ่งเป็นสาวกของเราดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องเอพูดไม่ถูกมั้งบอกบอกว่าพระองค์เนี่ยยอดเยี่ยม เสร็จแล้วพอองศ์ก็ป่วยตั้งบ่อยพระภากุลไม่เคยป่วยเลยนี่มันขัดกันนะสระว่ามาฟังแล้วมันขัดกันถ้าหากว่าพระภากุลเถระเป็นยอดแห่งบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้มีอาพาธน้อยจริงไซถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายเราเป็นพราหมณ์เป็นผู้ควรแก่การขอเป็นผู้มีฝ่ามือสะอาดตลอดการทุกเมื่อเป็นผู้ทรงอัตภาพสุดท้ายเป็นผู้ยอดเยี่ยมเป็นหมอยาและเป็นหมอผ่าตัด ดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องปัญหาข้อนี้มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดอัตกถาแยกแยะปัญหาให้ดูเพิ่มเติมเล็กน้อยบอกว่าปมแง่ปมเนี่ยนะยอนาสุดท้ายบอกแง่ปมแย้งในปัญหาเนี่ยมีอยู่เพียงเท่านี้คือว่าการที่พระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้ยอดเยี่ยม ก็น่าจะเกี่ยวกับว่าพระองค์เนี่ยน่าจะเป็นเลิศเป็นเลิศกว่าบุคคลอื่นในทุกด้านรวมทั้งความเป็นผู้มีอาพาธน้อยด้วยถ้าเหนือกว่าคนอื่นจริงก็ต้องไม่ป่วยเหนือคนอื่นด้วยสิแต่กลับปรากฏว่าท่านพระภากละกลับเป็นผู้ยอดเยี่ยมเหนือกว่าพระองค์ด้านความเป็นผู้มีอาพาธน้อยเพราะพระองค์นี่เกิดพระอาพาธ ประชวนแล้วหลายครั้งส่วนพระภากราเถร ะ, ระหาความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เลยก็เหมือนกับว่าตำหนิว่าผู้ตพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์ยอดเยี่ยมไม่ถูกต้องมันขัดกันเองเพราะว่าอีกคนหนึ่งบอกเนื้อกว่าไม่เคยป่วยส่วนพระองค์บอกผู้ยอดเยี่ยมแต่ป่วยทั้งหลายทีเอเยี่ยมยังไงเยี่ยมแล้วป่วยอย่างไงนะฟังแล้วมันขัดกันเอง ถ้าพระองค์ไม่ตรัสคํานี้นะถ้าเป็นแบบคล้ายๆกับสมัยใหม่เราถ้าไม่มีคํานี้จะดีเพราะงั้นนะบอกว่าพระองค์เนี่ยผู้พุทธพทเนี่ยไม่ใช่สวักขาโตคือคําพูดตรงเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แย้งในลักษณะว่าพุทธพจน์นี้ไม่ใช่สวากขาโตเพราะเป็นคําพูดที่ยังต้องแก้ไขเป็นคําพูดที่ยังมีปัญหานะตาหนิุทธพจน์ในลักษณะนั้นแต่ว่าเป็นประเด็นที่พระเจ้ามิลินเนี่ยเอามากล่าวพระนาคเษนก็ตอบไว้ว่าพระขอถวายพระพรมหาบาพิษ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่าภิสุทั้งหลายเราเนี่ยเป็นพรามเป็นผู้ควรแก่การขอเป็นผู้มีฝ่ามือสะอาดตลอดการทุกเมื่อเป็นผู้ทรงอัตภาพสุดท้ายเป็นผู้ยอดเยี่ยมเป็นหมอยาและก็เป็นหมอผ่าตัดพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้จริงพุทธพจน์นั้นไม่ผิดไม่พลาดถูกต้องและอีกที่หนึ่งพระองค์ตรัสว่า ดูก่อนพิสูจทั้งหลายพระภากระนี้จัดว่าเป็นยอดหรือเป็นเลิศเป็นเอตทัคคะบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้มีอาพาธน้อยซึ่งเป็นสาวกของเราอันนี้ก็จริงพุทธพจน์นี้มีอยู่จริงในอังคุตรนิกายเอกานิบาตมาก็ข้อที่ว่าพระภากุละเป็นยอดแห่งบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้มีอาพาธน้อยนั้นน่ะตรัดหมายเอาภาวะที่คนภายนอกไปจากพระองค์ น, นะนะซึ่งท่านเหล่านั้นก็มีองค์คุณแต่ละอย่าง เช่นอาคมอธิคมปริยัตเป็นต้นอยู่ในตนคำว่ายอดเนี่ยหมายความว่ายอดในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในระดับสาวกด้วยกันเนี่ยนะไอคำว่าแต่งตั้งแบบนี้เนี่ยอย่างเช่นแต่งตั้งพระภากุลว่ายอดในหมู่สาวกเนี่ยพระพากุลยอดที่สุดในพระผู้อาพาธน้อยหรือในด้านพระหูสูตรเนี่ยในบรรดาสาวกทุกอง์พระนนเยี่ยมกว่าเพื่อนหรือบรรดาตาที่พระนุรุทธะเป็นเลิศในบรรดาทรงวินัยเนี่ยพระอ่าพระอะไร ถ้าอุบาลีเป็นเลิศในด้านผู้มีปัญญาภาษาริบุตรเป็นเลิศในด้านผู้มีฤทธิ์พระโมคขลานะเป็นเลิศไอ้คำว่าเป็นผู้ย่อบเป็นเอตทะคะเป็นเลิศในที่นี้เนี่ยเลิศในจํานวนสาวกด้วยกันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เอาไว้แข่งกับพระพุทธเจ้าว่าเออเนี่ยเหนือกว่าพระพุทธเจ้าและพระองค์เป็นอนุตตโรได้ยังไงเยี่ยมกว่าคนอื่นได้ยังไงไอ้คาว่าเป็นผู้ผู้เป็นยอดหรือเป็นเอตทะคะนั้นวัดในกล่มสาวกด้วยกัน อธิบายเพิ่มเติมมาขอถวายพระพรสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อธิษฐานการยืนและการจงกรมมีอยู่แลคือบางรูปเนี่ยนะใช้สองอิรยาบถเท่านั้นคือเดินกับยืนอ้าวถ้าหลับหลับไงยืนหลับทอมีกระดานสมัยก่อนนะก็จะมีกระดานพิงกระดานพิงที่หัวจงกรมท้าจงกรมเคยจะลองแล้วไม่ได้ลองสักทีนะแต่ว่าก็ยืนพิงอะนะกลัวจะ <c oughs> กลัวมันจะแฉลับมนะัะต้องต้องมีกั้นนะิดหน่อยนะ ก็คือบางองค์ได้ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นโดยเฉพาะพระสมัยพุทธกาลเนี่ยนะหรือหลังพุทธกาลมาระดับหนึ่งใช้ชีวิตด้วยการยืนและการจงกรมสาวกเหล่านั้นย่อมยังวันและคืนให้ล่วงไปด้วยการยืนและด้วยการจงกรมส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังวันและคืนให้ล่วงไปด้วยอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งและนอนพระพุทธเจ้าใช้อิริยาบถสแต่สาวกใช้สองอิริยาบถเอ๊ะใครน่านับถือกัน ถ้าใครที่นับถือเรื่องอิรยาบทก็ต้องนับถือพระพิสุทธิ์ที่ยืนกับเดินคงไม่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นแน่นะถ้าถือคือในโลกนี้ก็เป็นนะบางพวกถือว่าอิรยาบทเป็นสาระบางพวกถือเกี่ยวกับเรื่องการฉันแค่มื้อเดียวเนี่ยเป็นสาระเพราะพวกใดถือสิ่งใดว่าเป็นสาระแล้วมีผู้ใดไปปฏิบัติเช่นนั้นตัวเองก็จะเหมือนกับว่าถวายชีวิตให้บุคคล น, นั้นแต่สําหรับผู้ที่เขานับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ พระองค์นั้นมีอะไรเป็นสาระมีศีลเป็นสาระมีสมถะมีวิปัสนามีปัญญามีโพธิปักจะธรรมเป็นต้นน่ะเป็นสาระในส่วนของพระองค์พระองค์มีคุณธรรมเหล่านั้นเป็นสาระพระองค์ไม่ได้ถือเอาอิริยาบถไม่ได้ถือเอาเวลาบริโภคอาหารเป็นสาระพะผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่พร้อมที่จะนับถือพระธรรมเป็นผู้ที่เคารพธรรมเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บูชาพระธรรม ขอถวายพระพรภิกษุผู้อธิษฐานการยืนและการจงกรมก็จัดว่าเป็นผู้ที่ยิ่งกว่าด้วยองค์คุณคือเฉพาะการยือนอธิษฐานการยืนและการจงกรมเท่านั้น <rí> e> ก็เป็นเลิกทางเดินกันนั่งทางเดินกับยื น, อ, น, นอ่ะนะนี่ทัดบางบางทำงานบางอย่างนี้ยือนอย่างเดียวนะห้ามนั่งงานบางอย่างนั่งอย่างเดียวห้ามยืนอย่างงี้นะงานบางอย่างนับสตังอย่างเดียวห้ามยักยอกอะไรเนะี่ยมันก็จะมีประเภท เ, เฉพาะตัวเฉพาะตัวไปอ่ะนะ ฉันใดพระพิสูจนทั้งหลายถ้าหากว่าผู้ที่ไม่เข้าใจสาระของพระศาสนาเนี่ยนะก็บางคนก็มาถือเอาการยืนหรือนั่งอย่างเดียวนั่งจนสุขภาพเสียหายหมดก็มีแต่ว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะโดยเฉพาะสมัยพุทธกาลเนี่ยที่เขายืนเขาเดินเขานั่งเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจผิดอะไรหรอกก็คือเขามีความรู้สึกว่าถ้าเราโมแต่นอนนะมันเสียเวลามากต่อการการเห็นอริยสัจ มันทำยังไงที่เขาจะพิจารณาอริยสัจอยู่กับคําสอนให้บ่อยที่สุดให้เร็วที่สุดมันมีภาวะกดดันหลายอย่างองค์นั้นก็บรรลุไปแล้วองค์นั้นก็บรรลุไปแล้วอ ง, งโนนก็บรรลุไปแล้วไอเรามันเหลือคนเดียวเนี่ยนะเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาบรรลุกันไปหมดแล้วเราจะอยู่ยังไงเนี่ยคือท่านเหล่านั้นเรียกว่าอาศัยมานะละมานะเนี่ยนะเพราะท่านเหล่านั้นก็มีมานะเหมือนกันนะว่าเอ๊ะ เราก็มีศรัท ธ, ธานะจำนวนผู้มีศรัทธาเราก็มีศรัท ธ, ธาบรรดาผู้มีความเพียรเราก็มีความเพียรเป็นต้นท่านเหล่านั้นเขาบรรลุกันแล้วเราไม่บรรลุยังไงแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่เคยสรรเสริญความเป็นปุถุชนเลยเนี่ยนะเวลาจะเข้าเฝ้าทีหนึ่งเนี่ยมันก็ลําบากใจเหมือนกันนะแล้วก็อย่างที่ว่าในสูตรหนึ่งเนี่ยเขาถือว่าพระพิสุปุถุชนเนี่ยเป็นพระพิสุแกล บ, บเหมือนกันเถอะมีอยู่สูตรหนึ่งอาน า, นาปานสติสูตรพระองค์บอกว่าในบริษัทเนี่ยไม่มีภิกษุกแกลบอยู่เลย ขพุทธพจน์คำนั้นเนี่ยแปลว่าไม่มีปุตุชนถ้าเกิดปุตุชนได้ยินเข้ามันจะน้อยใจขนาดไหนเออเรานี่มันแกลบจริงๆหรือโมฆะบุรุษเออมันก็ใช่อ่ะนะพูดยังไงก็ใช่หมดอ่ะเพราะว่าไม่มีอารยะคุณอะไรเลยไม่มีโสดาปฏิมัคเป็นต้นเลยเพรันสาระของสมัยนั้นเนี่ยนะเขาใช้อิรยาบทเพื่อตอบสนองการเจริญโพธิปักจยธรรมเพื่อสนองต่อการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดที่เขาจะรีบเร่งภาพเพียนพยายาม แต่ในยุคหลังๆที่สําคัญที่สุดว่าพยายามทําความเข้าใจใน อ, าอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเสร็จแล้วจะอยู่อิริยาบถไหนก็ตามอัธยาศัยเพราะว่าการปฏิบัติสาระของคําสอนอยู่ที่การแทงตลอดอริยศาสตร์ไม่ใช่บางคนเมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนลกลางวันก็งัวงเงียเมื่อไหรอย่างงี้นะบอกว่าถ้าเป็นท่าด้วยกันบอกว่าท่านไปห่างๆผมหน่อยได้ไหมอย่างนันขอร้อง <c oughs> นี่มลไปตรงไหนก็ได้ที่มันห่างๆกันหน่อย คนละฝกักอะไรนะถ้าเป็นอยู่เขาใช่ไหมคนละฝักเขาก็ได้งวงเงาะสงเง่งงงงเนี่ยโอ้โกลัวที่สุดเลยฮะนั้นเกี่ยวกับเรื่องอิริยาบถเนี่ยสำคัญว่าอิริยาบถนั้นถือว่าอิริยาบถสบปายะใช่ไหมอิริยาบถสบปายะมันบางรูปเนี่ยท่านถือว่าสปายะในการเจริญสามาธวิปัสสนาสําหรับเพื่อการบรรลุ ข, ของท่านคือยืนกับเดิน แต่ไม่ได้แปลว่าเนื้อกว่าพระพุทธเจ้าเพราะแหมยืนได้เดินได้พระองค์สิยังนั่งบงังพระองค์ยังบรรทมเลยยังไงนะขอถวายพระพรสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้อธิษฐานการชนะอาสนะเดียวคือชั้นข้งเดียวท่านลุกแล้วลุกเลยมีอยู่สาวกเหล่านั้นไม่ยอมชันโภชนะหนที่สองแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตหมายคือว่าท่านลุกแล้วลุกเลยเรียกว่า เอกาสนะเนี่ยนะนั่งอาสนะหรือว่านั่งอาสนะหมายว่าถ้าลุกแล้วห้ามไม่ฉันอีกแล้วมันจะฉันคำสองคาถ้าเกิดได้ลุกแล้วก็ลุกแล้วลุกเลยให้ฉันอีกก็ไม่ยอมฉัน น, นี้เป็นทุดงหนึ่งในสิบสามข้อทุดงว่าฉันว่าฉันมือเดียวเนี่ยนะฉันมือเดียวฉันหนเดียวส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสวยพระกยาหารแม้หนที่สองแม้หนที่3มพระพผู้เจ้าฉันนั่งหลายครั้งวันหนึ่ง แต่ฉันในช่วงเช้าถึงกลางวันนะ่ะนะฉันช่วงเช้าถึงเที่ยงอาจจะฉันสามครั้งก็ได้ขอถวายพระพรเพล็กษุผู้อธิษฐานการฉันนัอาสนะเดียวนั้นจัดว่าเป็นผู้ยิ่งกว่าด้วยองค์คืนคือเฉพาะการอธิษฐานการฉันนัอาสนะเดียวเท่านั้นคือเก่งจริงอ่ะนะเก่งเรื่องฉันนั่งฉันที่เดียวเท่านั้นแนหะแต่ไม่ใช่ว่าโหดีกว่าทุกคนหมดเลยเพราะอะไรเพราะนั่งฉันที่เดียวได้แล้วกัน ขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเล็งเอาองค์คุณนั้นนั้นแห่งที่สูเหล่านั้นเหล่านั้นจึงตรัสเหตุการณ์ไร้ล้าอย่างต่างกันเหล่านั้นเอาไว้เนี่ยน ะ, ะการยกย่องอผู้ใดผู้หนึ่งเรียกว่ายกย่องตามความสามารถเฉพาะตัวในหมู่สาวกด้วยกันไม่ใช่หมายคำว่าสาวกจะเหนือจะเยี่ยมจะยอดไปกว่าพระผู้ทเทชาวยไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกสาวกท่านก็ดีในดีในเฉพาะ เฉพาะตัวของท่านอะนะเฉพาะเรื่องของท่านเฉพาะตัวของท่า น, ข อ, านขอถวายพระพรก็แต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ยอดเยี่ยมนะอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่าอนุต t e r ที่สวดคําว่าอนุตต e r o อนุต t e ร o แปลว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมด้วยอะไรบ้างพระองค์เป็นผู้ยอดเยี่ยมด้วยศีลเนี่ยนะทั้งโลกิยะศีลและ โลกุตระสีนยอดเยี่ยมด้วยอ uh. ุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิทั้งรูปฌานอรูปฌานโลกิยะสมาธิและโลกุตระสมาธิพระองค์เป็นผู้ยอดเ ย, ยี่ยมทั้งกรรมสกตาปัญญาวิปัสนาปัญญาปัญญาอย่างอื่นเป็นต้นพระองค์เป็นผู้ยอดเยี่ยมด้วยตะทางค้าวิมุตติวิขำพนาวิมุตติสมุทเฉทวิมุตติปฏิปัสสัทธิวิมุตติและก็นิสระวิมุตติพระองค์เป็นผู้ยอดเยี่ยมด้วย วิมุตติยานทัศนะคือปัจเวกขณะยานทั้งของพระองค์เองและปัจเจกของผู้อื่นพระองค์ยอดเยี่ยมด้วยทศพลสิบทศพลยานที่เป็นกาลังของพระพุทธเจ้าสิประการพระองค์เป็นผู้ยอดเยี่ยมด้วยเวสารัชยานยานที่ทาให้พระองค์ถึงความเป็นผู้องอาจกล้าหาญคำว่าเวสารัชเนี่ยกล้ากล้ามแต่ว่าตรงกันข้ามกับกลัวคนที่ยิ้มอยู่ได้เนี่ยคือคนกล้าหรือคนที่กลัว พระพุทธเจ้าไม่มีเหตุการณ์ใดที่จะทําให้พระองค์กลัวเพราะอะไรเพราะไม่มีใครจะตําหนิพระองค์โดยทําได้เช่นท่านบอกว่าท่านเป็นสัมมาสัมพุทธะแต่ท่านยังไม่รู้อีกตั้งหลายเรื่องอันนี้ก็ไม่มีใครทวงได้สองท่านบอกว่าท่านเป็นพระขีณาสพแต่ท่านยังเหลืออาสวะอยู่นะเ อ, อ่คำสอนที่ท่านว่าเป็นนิยานิกรรมนําออกจากทุกนําออกจากทุกข์ไม่ได้จริงหรือว่า ที่ท่านบอกว่าทำเหล่านี้เป็นอันตรายเร่งนั้นไม่เป็นอันตรายจริงเพราะในสี่ประการไม่มีผู้ใดจะทวงติ้งพระองค์โดยสหั์เรียกว่าโดยธรรมนะโดยถูกต้องไม่มีใครท้วงติ้งแบบนั้นได้พระองค์จึงเป็นผู้แกล้วกล้าอยู่ด้วยโสมนัสพระองค์นั้นอยู่ด้วยพุทธธรรมสิปดทั้งกายกรรมวิจีกรรมและมนโนกรรมพระองค์นั้น เป็นผู้ที่มีญาณที่ไม่สาธารณะต่อบุคคลอื่น6ประการเรียกว่าอาสาธารณะญาณหคืออาสยานุสยญาณอินทรียปโปรปริยติญาณมหาการุณาสมาบัติญาณยมกะปปติหารยายาิญาณสัพพัญญุตญาณและอนาวรณาญาณคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะที่เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณธรรมทั้งมวล นับตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานัทสนะพละสิบเวสารัชยานสี่พุทธธรรมสิบแปดอาสาธรณญญาหกเหล่านี้แหละที่เป็นเหตุให้พระองค์บอกประกาศเปิดเผยตัวของพระองค์ตามเป็นจริงว่าดูก่อนพิสูุนทั้งหลายเราเราเนี่ยเป็นพรามเป็นผู้ควรแก่การขอเป็นผู้มีฝ่ามือสะอาดตลอดการทุกเมื่อเป็นผู้ ผู้ทรงอัตภาพสุดท้ายเป็นผู้ยอดเยี่ยมเป็นหมอยาแล้วก็เป็นหมอผ่าตัดด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แหละไม้เอาคุณธรรมเหล่านี้แหละที่อยู่ในพุทธวิสัยเท่านั้นไม่อยู่ในวิสัยของสาวกทั้งหลายแต่อย่างเดียวเท่านั้นพระองค์ก็เลยประกาศอย่างนี้ออกมาทีนี้เขาบอกว่าวินยูชนในโลกนี้จะรู้เนื้อความเข้าใจรายละเอียดได้ก็ต้องมีการอุปมา ก, กันหน่อยเหมือนเพราะนั้นอุปมาให้ฟังหน่อยแล้วกัน ขอถวายพระพรคือคืออุปมาอุปมาเปรียบที่บอกว่าภาษาวกยังไงก็ไม่ได้เสมอกับพระพุทธเจ้าแค่ไม่ใช่ว่าไม่ป่วยแล้วก็บอกเหนือกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเหตุผลคือไม่ป่วยเปรียบเหมือนอย่างว่า ในบรรดามนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้คนพวกหนึ่งเป็นผู้มีชาติตระกูลสูงกระเป็นตระกูลเก่าแก่มาเนี่ยนะกพวกหนึ่งเป็นผู้มีทรัพย์มากอีกพวกหนึ่งมีวิชาความรู้มากอีกคนหนึ่งมีศิลปะความสา ม, มารถมากอีกคนหนึ่งเป็นผู้กล้าหาญอีกคนหนึ่งเป็นผู้มีปัญญาหลักแหลมทั้งคนห้ากลุ่มเหล่านี้ผู้เป็นพระราชานั่นเทียวจัดว่าเป็นผู้สูงสุดแห่งบุคคล เหล่านั้นครอบงำบุคคลเหล่านั้นแม้ทุกคนฉันใดขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จัดว่าทรงเป็นยอดเป็นใหญ่ประเสริฐสุดบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นเหมือนกันคือก็เหมือนว่าอย่างนะคนในโลกเออชาติตระกูลสูงอาแต่งตั้งควรจะเป็นรัฐมนตรีอะไรนะเพราะอาศัยชาติตระกูลแล้วได้ดีอาบางคน เอามีทรัพย์มาก น, นะสมัยก่อนเขาแต่งตั้งเป็นกระทรวงคลังเลยนะโบราณเนี่ยถ้ารวยมากเขาให้แต่งตั้งให้ดูแลด้านการคลังแล้วก็เอาคนนี้มีวิชาความรู้มากบริหารคนนี้มีศิลปะดูแลการก่อสร้างเป็นต้นไอ้คนนี้กล้าหาญเป็นแม่ทัพไอ้คนนี้ฉลาด น, นะก็ช่วยราชการอุดทั่วทั่วไปพระองค์ก็แต่งตั้งตามอะไรตามตามความเหมาะสมแต่ไม่ใช่บุคคลที่แต่งตั้งฉลาดเก่งอย่างที่กล่าวไปแล้วดีอย่างที่กล่าวไปแล้ว เหตุผลอันนี้บอกคนเนี้เหนือพระราชามีใครพูดอย่างนั้นไหมคนเนี้เลิศกว่าพระราชาเหนือกว่าพระชาชาพระองค์ก็แต่งตั้งตามที่ควรจะเป็นเท่านั้นเองฉันใดภิกษุทั้งหลายที่เป็นสาวกก็ได้ตําแหน่งเอตทคฆะตามสมควรแต่ไม่ได้แปลว่ายอดเยี่ยมกว่าพระพุทธเจ้าทีนี้เหตุผลว่าทําไมเนอพระภากระจึงไม่ป่วย หรือว่าจึงป่วยน้อยเนี่ยนะสุขภาพดีเหลือเกินเนี่ยนะอายุตั้งร้อยหกสิบนะพระพากละปริเนนีพ่านตอนอายุร้อยหกสิบพระนนเนี่ยร้อยสี่ร้อยี่สิบพระพระนุรุทธะร้อยสี่สิบเนี่ยนะสมัยนั้นอายุยืนมากเนียนะนะนึกในใจว่เราได้เครื่องพระพากุลนนี้ก็เก่งแล้วนะเอามาดูเหตุที่ทําให้สุขภาพตีอ า, าพาษน้อยอ พระราเกษสรนอธิบายให้ฟังว่าการที่ท่านพระพากระเป็นผู้มีอาพาธน้อยนั้นเนี่ยเป็นเพราะอภินิหารการทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาอภินิหารแปลว่าการทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาที่ท่านได้ทำเอาไว้ในอดีตคือผลบุญอันนั้นที่ท่านทำแล้วตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตคือ ในชาติที่ตัวท่านเนี่ยเกิดเป็นฤาษีเป็นดาบทแต่เป็นฤาษีหมอยาเนี่ยนะเป็นฤาษีที่เก่งหลายด้านนะ น, นะอันหนึ่งคือมีความสามารถเรื่องยาเป็นหมอยาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าอโนมาทศีเกิดโรคเกิดพระโลคลมในท้องขึ้นแปลว่าพระพุทธเจ้าท้องอื่นหมือนกันนะพระพุทธเจ้าอโนมาทศีเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันที่พยากรณพระสารีบุตรพระโมกขลานะว่าจะเป็น พระอัคารสาวกแล้วก็พระภ้าโนมทัศีก็ได้พยากรณ์พระโพธิสัตว์ของเราว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้ในชาตินั้นแสดงว่าพระภากุละสร้างบารมีมาหนึ่งอสงไขยแสนกับสร้างบารมีมานานมากเคยทําบุญไม่นานแล้วตอนทําบุญในชาตินั้นก็ตั้งความปรารถนาไว้แล้วว่าขอจงเป็นผู้มีอาพาธน้อยเนี่ยนะเพราะถวายยาเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะใครสั่งเอาสังแง่งป่วยบ่อยก็ ให้ยาเป็นทานแต่ก็ให้ยาให้มันดีๆหน่อยนะไม่ให้ยาเดี๋ยวอะไรนะหายาที่มันมีปัญหาน้อยที่สุดเดี๋ยก ว, ว่าโรคที่มันเกิดจากยาอีกแล้วเดือดร้อนอีกอันนี้อีกหนึ่งชาตินะเมื่อหนึ่งอสงไขยแสนกับทีแล้วอีกชาติหนึ่งท่านก็เกิดเป็นฤาษีอีกนั่นแหละเป็นดาบท เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าวิปัสสีแปลว่าถอยหลังจากนี้เก้าบเดกัปนี่ยนะขอนอบน้อมแด่พระวิปสัสสีพูเท่เจ้าผูา้มีพระจักสูตรมีพระเิริที่เราสวดอาตานาติยสูตรเมื่อกี้ในองค์เดียวกันเมื่อเก้าบดกัปที่แล้วเนี่ยนะตอนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระราว่าวิปสัสสีและิกีุสงู์จํานวนหกล้านแปดแสนรูปเกิดเป็นไข้เพราะย่าขึ้นญ่าที่เป็นพิษเนี่ยนะมันฟุ้งกระจายแล้วมันก็ก็เป็นเหตุให้พระเนี่ยป่วย เขาบอกว่าพวกเกสรดอกไม้ละอองดอกไม้เป็นเหตุให้ป่วยได้ไหมอ่านะก็เป็นเหตุให้ป่วยไข้ได้มันละอองดอกไม้ละอองหญ้าละอองต้นไม้อันเนี้ยเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพิสุส่งเนี่ยป่วยขึ้นดาบทอดีตชาติของพระภากุละก็ได้ใช้ยาหลายอย่างต่างๆกันถวายการรักษาความเจ็บป่วยนั้น ก็ได้บรรลุถึงความเป็นผู้มีอาภาน้อยเนะก็แปลว่าให้ยาเป็นทานโดยเฉพาะให้ยาเป็นทานกับพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสาวกพระอาหารหันเนี่ยนะทีนี้เพราะว่าความที่เคยให้ยาเป็นทานเนี่ยนะก็เลยอาภาน้อยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เลยตรัสสรรเสริญท่านพระภากละว่าดูก่อนพิสูจ์ทั้งหลายพระภากระนี้ จัดว่าเป็นยอดแห่งบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้อาพาธน้อยซึ่งเป็นสาวกของเราเหตุที่อาพาธน้อยก็เพราะอะไรเพราะให้ยาเป็นทานแล้วตั้งความปรารถนาเพื่ออาพาธน้อยเคยอ่านเจอตรงนี้เมื่อกี้สมัยก่อนนะไปไหนนต้องพกพาราเป็นต้นอย่ากัญาแก้วัดไปด้วยเอาไว้แจกเอไปสบายแลยเอาไป น, น, นะนะตอนหลังพระวินัยห้ามก็เลยไม่เอา แต่ตอนก่อนเป็นเนนเนี่ยเราก็แจกไม่สบายเอาตาไม่สบายเอายาไปทานนะเหตุอนั้นก็ทําให้ไม่ค่อยป่วยแต่ก็ตอนหลังก็เบียดเบียนสัตว์มันให้ผลเหมือนกันแต่ว่าถ้ากรรมมันให้ผลเนี่ยสมมติถ้าเราเคยเบียดเบียนสัตว์มานะถ้ามันมีสุขภาพอันใดอันหนึ่งนะเราจะนึกถึงเหตุได้เลยอสมมติว่าเป็นอย่างนี้ปั๊บนะเออเหตุเนี่ยสมควรกับเหตุเนี่ยนะจะระลึกถึงเหตุได้ที่ถ้าทามันมีผลเนี่ยนะ แต่ถ้าหากว่าพวกให้ยาให้อะไรเป็นทานเนี่ยนะเชื่อไหมของมาเนี่ยยาเป็นกรุษเลยแล้วแจกเข้าไปเกือบหมดแล้วล่ะเอาไปแจกก็คือเพราะว่าอันเนี้ยพวกพวกบุญมันก็ให้ผลนะทั้งบุญก็ให้ผลนะบาปมันก็ให้ผลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่มันก็มีทั้งเกาะดอกไม้และดอกะอะไรนะก้อนอิดใช่ไหมก้อนหินตาก็ามากับดอกไม้มาชมเชยมันก็มีทั้งสองอย่างเพราะอะไรเพราะบุญมันมีผลบาปก็มีผลมันถ้าใครที่ฉลาดก็เว้นจากบาป นะอย่าอย่าไปอย่าไปเปื้อนบาปถ้าเปื้อนบาปแล้วก็เดือดร้อนขอถวายพระพรเมื่อมีเออเขาบอกแม้เมื่อความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ตามหรือพระองค์ไม่เกิดความเจ็บป่วยก็ตามแม้เมื่อพระองค์จะทรงถือธุดงแต่และข้อก็ตามไม่สมาทานถือธุดงก็ตามถึงอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็ไม่มีสัตว์แม้แต่คนเดียวที่จะเสมอเหมือนกับพระองค์ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าถึงพระองค์จะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามจะสมาทานทุดงหรือไม่สมาทานทุดองก็ตามมันไม่ใช่เหตุว่าอันนี้พระองค์เรียกอะไรนะคุณภาพพระองค์ลดลงหรือความเป็นยอดของบุรุษของพระองค์ลดลงเพราะความที่พระองค์ไม่ได้รักษาทุดงหรือเพราะพระองค์ป่วย เพราะฉะนั้นพระองค์ตัดไว้ในสังยุตตนิาเนียนะมหาวารวัชหรือในอังคุตระนิยจตุกะนิบาทว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่มีเท้าก็ตามมีสองเท้าก็ตามมีสี่เท้าก็ตาม ม, าตา ม, มีเท้ามากก็ตามมีรูปก็ตามไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาก็ตามไม่มีสัญญาก็ตามหรือเนวะสัญญานาสัญญาก็ตาม มีอยู่สักเพียงใดพระทาคโคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวได้ว่าเป็นยอดแห่งสัตว์เหล่านั้นสุดยอดของสัตว์แล้วเนี่ยนะคำว่าสัตว์สสัตว์ไม่มีเท้าก็กลุ่มกลุ่มไหนกลุ่มงูเป็นต้นนะนะกลมไส้เดือนสัตว์สองเท้าก็เช่นไก่มนุษย์เป็นต้นสัตว์สี่เท้าก็เช่นโคกระบือเป็นต้นหรือสัตว์มีเท้ามากเช่นกิ้งกือเป็นต้นนะยกตัวอย่าง แล้วก็สัตว์ที่มีรูปก็ตามมีรูปก็หมายความว่าทั้งการมปพบและรูปประพบไม่มีรูปก็คื อ, อรูปประพบมีสัญญาก็คือเวน้นอสัญญาพบเวนเนวสัญญาพบก็แปลว่าสัตว์ในวิญญาณทิติเ็สัตว์ตาวาตกาวไม่มีสัตว์เหล่าใดที่จะเหนือกว่าพระพุทธเจ้าในด้านพระคุณทั้งหลาย น, น, ะ, นะเช่นสีละคุณก็ไม่มีสัตว์เหล่าใดจะมีศีลคุณเสมอเช่นกับพระองค์ ไม่มีสัตว์เหล่าใดที่จะมีสมาธิคุณปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณอรหันตตะคุณเป็นต้นเหมือนกับพระองค์ พ, พระองค์นั้นจึงเป็นผู้ยอดกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ใช่ว่าอ้างแค่เรื่องพระองค์ป่วยก็เลยอะไรนะลดต่ำกว่าพระพาคุณอย่างี้นะไม่ใช่อย่างนั้นเห็นไะมไม่ใช่แค่อย่างนั้นหรอกอใน อธกถาอธิบายเพิ่มเติมว่าในอุปมาว่าผู้เป็นพระราชาแม้ว่าจะทรงคนที่เป็นพระราชาเนี่ยแม้แต่มีวิชาด้อยกว่าคนเหล่าอื่นเช่นด้อยกว่าเสนาบดีเป็นต้นเนี่ยนะถึงอย่างนั้นพระองค์ก็นับว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมเหนือกว่าคนอื่นจะไม่ในแผ่นดินเดียวกันเนี่ยนะพระองค์ก็ถือว่ายอดเยี่ยมกว่าคนอื่นอยู่แล้วด้วยองค์คุณที่เป็นวิสัยของพระราชาเพราะคนเหล่านั้นที่มันเก่งที่มันได้ขึ้นยศขึ้นตําแหน่งถ้าพระองค์ไม่ตั้งอ่ะ จะเป็นได้ไหมก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นในพบเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ว่าพระองค์มีทรงคุณบางประการเช่นธุดงเป็นต้นด้อยกว่าพระอาหารหัน์รูปอื่นบ้างคือคำว่าด้อยกว่านั้นน่ะไม่ได้แปลว่าพระองค์ไร้ความสามารถเนี่ยนะไม่ใช่อย่างนั้น ถึงพระองค์ไม่ได้รักษาเช่นกับภิกษุเหล่านั้นพระองค์ก็ไม่ได้ด้อยกว่าพิกษุเหล่านั้นเลยถึงอย่างนั้นพระองค์ก็นับว่าเป็นผู้ยอดเยี่ยมเหนือกว่าพระสาวกทั้งหลายด้วยองค์คุณที่เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น น, น, นะนะเพราะว่าพระที่อย่างพระพากรเนี่ยทำทธุรกนะิจได้ไหมก็ไม่ได้ปัญญาฉลาดเหลือเกินอย่างพระษาดิบุตรทําพุทรกิจได้ไหมก็ไม่ได้เพราะนเอาคนเก่งรวมทั้งหมดทั้งาศาสนาเลยมาทําพุทธกิจแทนพระองค์ได้ไหม ไม่ได้แม้แต่คนเดียวเพราะในหมื่นโลกธาตุเอาใครมาก็ได้สักคนน่มาทำกิจแทนพระพุทธเจ้าได้ไหมทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีได้แม้แต่เดียวพันพระองค์จึงเป็นผู้เลิศของสรรพสัตว์ทั้งหลายพระองค์จึงเป็นผู้เสมอแต่กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยนะ เพิ่มเติมอีกบัณฑิตพึงเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหย่อนพระปฏิปทาในเรื่องนั้นๆลงไปบ้างในบางเรื่องไปบ้างอาจจะหย่อนไปบ้างไม่ทรงปฏิบัติเคร่งครัดเช่นกับภิกษุเหล่านั้นก็ด้วยทรงประสงค์เอื้ออํานวยความสะดวกให้แก่สัตว์โลกผู้บายหน้าไปหาพระองค์ หวังการอนุเคราะห์เท่านั้นพระองค์เนี่ยที่ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยที่ทำอย่างนั้นเช่นชันหลายครั้งมือหนึ่งอาจจะอวันหนึ่งอาจจะชันหลายครั้งในช่วงเช้าถึงเที่ยงพระองค์ใช้อิริยาบดสเนี่ยนะเพราะพระองค์ประสงค์ให้เขาเหล่านั้นได้บุญอย่างเช่นในเมืองปาตลีบุตรหรือชาวบ้านปาตลีคามสร้างสันทาคารสันทาคารน่นะอาคารก็คือสมัยใหม่เรียกโรงแรมเนี่ยก็สร้างเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า สร้างสําหรับเป็นศาลาว่าการของบ้านเมืองนะสารพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีก็เลยนิมนต์เป็นสถานที่ที่ไม่มีใครใช้ก่อนจะนิมนต์พระพุทธเจ้าให้ใช้แต่เขาตั้งใจว่าจะให้พระองค์ใช้ในอิริยาบทสี่การที่พระองค์เดินเข้าไปก็เป็นการอิริยาบทเดินของพระองค์ขณะที่พระองค์ยืนรอประทับนั่นก็เป็นยืนของพระองค์พระองค์ประทับนั่งก็เป็นนั่งเสร็จแล้วก็พอพระองค์แสดงธรรมสักพักหนึ่งพระองค์ก็จะได้พักผ่อนได้เนี่ยนะ ก็จะให้เสียให้พระองค์ใช้อิริยาบถสี่ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเราทั้งหลายสิ้นกาลนานเข้าประสงค์อย่างนั้นคือความที่พระองค์เนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยพระองค์ไม่ได้เกิดมาเพื่อทาสติติข่มคนอื่นหมดและโชว์ตัวในความเป็นผู้โดดเด่นในลักษณะนั้นไม่ใช่แต่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อ ทรงเคราะห์ประโยชน์สุกแก่สรรพัพพะสัตวทั้งหลายไม่ได้รักษาสติวิชันนะตลอดชีวิตจะได้ขึ้นหนังสือวางเล่มนั้นเ ก, กโก้ตรงไหนไม่ทราบพระองค์ไม่ได้ประสงค์แค่อย่างงานหลอกน่ย น, นะพระองค์จึงทําทุกอย่างอะไรก็ได้ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัพพะสัตทั้งหลายพันธุดงที่เช่นว่าพระองค์ฉันหลายครั้งก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขพระองค์ใช้อิรยาบททั้งสี่ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุกแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายนั่นเอง